คนเขาติดเรื่องการเมืองอย่างนี้เขาจะอยากฟังอย่างไร <c oughs> คนเรามันต้องมีอะไรติดสักอย่างเมื่อก่อนคนติดธรรมะติดการฟังธรรมหรือติดการทามสมาธิมันต้องอาศัยสิ่งที่ติดเซอนมันค่อยมันสนใจแล้วมันค่อยได้เรื่องได้ลาวติดการเมืองอนี้โอ๊ยไม่หลับไม่นอนเลย ถ้าเขาสมัยก่อนเขาออกหนังสือพิมพ์นี่อา่านจนจบหมดทุกหน้าทุกหน้าละ่ะนั่นเรียกว่าติดการเมืองพวกติดนิยายกันเหมือนกันเ้าพิมพ์นิยายลงในหนังสือพิมพ์อา่านจนจบที่เวลาไม่ได้อ่า น, นก็อยากอ่านตัวเองไม่มีก็ไปเที่ยวเก็บหนังสือพิมพ์ เก่าเขาที่เขาพิมเขาอ่านแล้คนติดบุหรี่ติดกาแฟอยเหมือนกันมันก็อยากสูบอยู่ด้วยดืย่มกาแฟถ้าไม่ได้กินมันก็สมองไม่ปลอดโปร่งเรื่องธรรมะคนติดติดธรรมะ ติดสมาธิหรือติด <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องราธนาลวันนี้นั่งสงบเป็นการราธนา ขัดสมาธิก็ได้นั่งให้สบาย <c oughs> นั่งให้ไม่มีที่ขัดเครื่องนั่งขัดสมาธิทำความสงบวางมือขวาทับมือซ้ายเรีว่าแต่งกายหลวงปู่เบนองหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่เบนใช่ปะแต่งกายให้สบายสบาย เอามันไม่สบายตรงไหนแต่งนี่เรียกว่าตั้งท่าตั้งทางแต่งกายแต่งใจแต่งใจนี่ต้องแต่งด้วยมีความตั้งใจตั้งใจไว้ให้มั่นคงนะความตั้งใจมัน่นแต่ตั้งใจด้วยสตินี่ยังไม่เรียกว่า ตั้งใจมั่นยังไม่ได้ยังไม่เรียกว่าตั้งตั้งใจเป็นสมาธิหรือสมาธิความตั้งใจมั่นเอาสติเข้าไปควบคุมซะก่อนกําหนดรู้ที่ใจที่ความรู้นั่นแหละนี่เรียกว่าตั้งใจตั้งเครื่องรับตั้งใจก็ตั้งเครื่องรับ คลื่นของธรรมะนั่นแหละเพราะเครื่องเครื่องรับคือใจอส่วนคลื่นคลื่นที่จะสัมผัสกับเครื่องรับนั่นเรียกว่ามันเป็นคลื่นเป็นอารมณ์เหมือนเครื่องรับคลื่นเสียงต่างๆนั่นแหละเครื่องเขาตั้งไว้ดีแล้ว ทีนี่พอมันมีคลื่นเสียงอะไรมันไปกับคลื่นของลมของอากาศมันก็ไปสัมผัสมันก็ออกเป็นเสียงมาให้เราได้ยินได้แต่ที่นี่เสียงของใจมันก็มีแต่ว่ามันเป็นเสียงละเอียดเป็นคลื่นคลื่นแห่งความรู้ มันเป็นคลื่นละเอียด <c oughs> ที่นี่ต้องสร้างสร้างคลื่นหยาบที่เรียกว่าคลื่นของความระลึกความระลึกรู้หรือว่าสตินี่มันเป็นคลื่นหยาบออกมาจากคลื่นละเอียดคือใจคือคลื่นรู้จึงจะออกมาเป็น เป็นสมมุติเป็นสังขารเป็นวัจีสังขารเป็นเสียงออกทางวาจาเป็นรสะรสะแปลว่าเสียงรสะธาตุหรือรสะเสียงจากใจเป็นเป็นรสะธาตุมันละเอียดเป็นสิ่งละเอียด เน่จึงสร้างสติหรือว่าปฏิบัติทำสติคือความกำหนดรูจงมีสติรูไปในกายเนืองเนืองเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าสอนพระมหากรสปะข้าวที่ท่านแต่งเป็นเพศนักบวชแล้วท่านคือท่านบวช คนผมขูดชิวนุ่งห่มผ้าย้อมฝาดถือบริขารของนักบวชคือบาทเดินทางมุ่งจะไปสู่สำนักพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าพระองค์จึงมาเรียกว่ามาประทับนั่งที่ล่มไม้เพื่อรอการมาของปิพริหรือพระ มาศปานี่พอมาถึงท่านก็พระพุทธ อ, องค์ให้โอว่าสามเธอจงเป็นผู้เหงื่อหูฟังเยาวค่าย ใ, ในการศึกษาในการฟังเธอจงเป็นผู้ ไม่มีทิฏฐิมณนะเข้าไปมีความเกงอกเกงใจในทั้งภิกษุแก่ภิกษุปานกลางภิกษุหนุ่มน้อยอันนี้หมายความว่าไม่ให้มีความถือตัวถือตัวถือตน ถ, ถ้าไม่ถือตัวถือตนมันจึงจะ ฟังเงื่อหูฟังเสียงที่กระทบกับหูที่ทำให้ได้ยินทางหูอย่ า, ามีความตั้งใจฟังกระแสเสียงหรือว่าศึกษาเสียงจากผู้ที่พูดให้ฟังยานที่สามก็เรียกว่าเธอจงมีสติ กำหนดรู้ในกายหนึ่งๆอันนี้สาคัญกาหนดรู้ในกายในกายหยาบในกายหยาบในกายละเอียดเพราะฉะนั้นจึงว่าสติเนี่ยสร้างขึ้นใหม่สร้างขึ้นใหม่ด้วยการด้วยการตั้งใจด้วยการกําหนด ด้วยการกําหนดตั้งความระลึกรูเรียกว่าสัมมาสติระลึกรูในกายในกายหยาบ ก, กายที่ปรากฏเป็นรูประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟที่ในกายของเรานี้ ธาตุดินธาตุดินก็มีผมขนและฟันหนังภายนอกที่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อแล้วก็รู้ด้วยใจและลึกรู้ได้ด้วยสติว่าตาเนี่ยก็มีนี่ตาจักสุคือตาหูสำหรับรับเสียงมูอสำหรับ กินสัมผัสเข้าไปทางจมูกเรืน่นสัมผัสลูกรสเปรี้ยวรสขมรสหวานรสมันรสเค็มสัมผัสทางลรื่กายสัมผัสความร้อนความเย็นความแข็งกระด้างความนิ่มนวลสัมผัสได้ทั่วกาย ใจอารมณ์อารมณ์หรือความรับรู้ความสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนะี่ยแม้แต่ว่าอารมณ์ที่เกิดกับใจ่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์รูปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ก็รวมเข้าไปใจเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งสลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตั้งใจกำหนดรู้ไม่ตั้งใจแล้วลึกรู mm. ้ก็จะไม่รู้อาการของสิ่งที่เกิดจากใจซึ่งมีใจเป็นมหาเหตุ มีใจเป็นฐานและเกิดจากกายซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นรูปเป็นส่วนที่อยากสัมผัสกระทบกันมีมีใจมีใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นสติเนี่ยตั้งการตั้งสติเรียก ว, ว่าระลึกรูกระลึกรูขึ้นระลึกรูในกายระลึกรู ผมบนสีสะอผมเป็นอะไรผมก็เป็นธาตุเป็นธาตุอะไรเป็นธาตุดินอผมเส้นสั้นเส้นยาวเส้นหยาบเส้นละเอียดขนก็เหมือนกันอขนก็มีเส้นยาวเส้นละเอียดเส้นสั้นเส้นยาวเหมือนกันออันนี้เป็นอาการที่มองเห็นด้วยรูปออื ทนี่ทั้งผมทั้งขนเมื่อเขาเปลี่ยนสภาพลงไปก็เป็นดินอเป็นธาตุดินที่แรกก็เป็นดินละเอียดเป็นผงเป็นทุลีละเอียดเมื่อเขารวมกันมากๆก็เป็นความหยาบเป็นดินหยาบขึ้นมาจนแยกอมาเป็นเมล็ดดินก็เป็นเมล็ดเป็นเมล็ดอถ้าเขา ละลายเข้ากันละเอียดก็ไม่มีเป็นเมล็ดก็เรียกว่าเป็นธาตุดินอันเดียวนี่ธาตุดินธาตุดลมธาตุไฟเนี่ยกำหนดรูปสติกำหนดรูปผมขนเล็บฟันหนังนี่ภายนอกกาหนดเพ่งภายในเข้าไปภายในหนังภายในเนื้อ ผมขนเกิดจากหนังหนังหุ้มหนังหุ้นหนังหุ้นหนังบางๆหนังหุ้นหนังหุ้นก็หุมหนังที่มีพังผืดเรียกว่าหนังพังผืดหนังพังผืดก็หุ้มเนื้อเข้าไปเนื้ออยู่ภายในเข้าไปอีกเนื้อก็ ห่อหุ้มเส้นเอ็นกระดูกเส้นเอ็นก็หุ้มน้ำเลือดน้ำเลือดแดงเลือดดําอเป็นท่อลมวิ่งไปตามเส้นเอ็นนั่นแหละเอียเข้าไปในกระดูกเข้าไปก็เป็น เยื่อในกระดูกมีเนื้อมีเลือดในกระดูกเมื่อจิตกับเมื่อกายกับจิตหรือประสาททุกส่วนที่มันทาหน้าที่สมบูรณ์กันอยู่ก็จะเป็นเหตุให้เกิดสัมผัสภายในกระดูกของเราเวลาเราเก็บเราปวดมันวิปริตเก็บปวดในกระดูก น, นี่ก็เพราะมันมี ประสาทที่รับรูมันมีเยื่อในกระดูกมีเลือดมีอะไรหลอ่ลอเลี้ยงกันเมื่อมันรีบผลิตมันก็ทําให้เกิดทุกขเวทนาปวดข้างในกระดูกปวดในกระดูกไม่เหมือนปวดเส้นปวดตามเส้นตำเอนนวดบีบก็ไปสัมผัสทําให้เปลี่ยนทําให้เปลี่ยน เวทนาเปลี่ยนนาการไปได้ควรให้กระดูกเนื้อหนวดหรือเอาอะไรมานวดมากดมันไม่หายต้องมียาต้องมีเครื่องบำบัดให้มันซึมเข้าไปเช่นคนกระดูกแตกอย่างนี้นมันจะเก็บจะปวดต้องต่อกระดูก ใส่ยาใส่น้ำมันให้มันเชื่อมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเจ็บความปวดนั่นจริงจะไม่ปรากฏตรงที่กระดูกมันแตกมันหักนี่เรียกว่ากายหยาบกายหยาบกายลละเอียดกายละเอียดมันเป็นสภาวะที่อยู่กับความรู้อยู่กับ ความนึกคิดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่พุทธเจ้าสอนว่าจองกำนดลรู้ในกายเนี่ยรู้ภายนอกรู้เข้าไปภายในในอาการสามสิบสองที่เป็นส่วนธาตุดินครับนะตั้งแต่ผมขนเน็บฟันหนังเข้าไป เพ่งเข้าไปอันนี้เป็นการเป็นการเจริญปัญญาการภาวนากำหนดเพ่งกำหนดรู้เนี่ยเรียกว่าภาวนาทำปัญญาให้ให้ทำความรู้ให้เกิดให้รู้ให้เห็นตามสภาพของกายแล้วมันแปลเปลี่ยนกำหนดรู้เรื่องของธาตุดินน้ำ ลมไฟถาตน้ำก็จะนับแต่น้ำเหลืองน้ำเลือดปิดตังน้ำดีเส็มหางน้ำเสลดไปจนถึงน้ำ ม, มันไขข้อน้ำา ม, มดน้ำโมดก็น้ำปัสสาวะเรานี่แหละที่มันรล่อเลี้ยงกันออกมาจากร่างกายนี่แหละ ธาตุไฟไฟยังกายให้อบอุ่นไฟเผาอาหารให้ย่อยธาตุไฟที่มีความร้อนอยู่ในกายธาตุลมก็ลมหายใจเข้าหายใจออกสำคัญลมในท้องในไส้ลมพัดไปตามตัวนั่นเป็นส่วนของธาตุลมแต่ที่นี่ ไอ้ความหลงเนี่ยมันหลงหลงห ล, ลงดินหลงน้ำหลงลมห ล, ลงไฟแล้วมันก็มาหลงรูปที่สิ่งที่มันเป็นความหลงละเอียดเป็นความหลงให้ติดให้เกิดความหงุดหงิดเกิดความดีใจเสียใจมาหลงในผม ขนและฟันหนังที่มองเห็นด้วยตาเนื้อนอรวมกันเรียกหลงในรูปรูปสวยรูปงามรูปไม่สวยไม่งามเมื่อความหลงครอบงำแะความคิดความปรุงความเห็นที่เรียกว่าทิฏฐิคือความเห็นสังขารความปรุงแตง่งสัญญาความหมายมั่นจำได้หมายรูป มันก็ผิดไปด้วยกันเรื่อยไปเมื่อมันผิดมันยังเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ยังเป็นเหตุให้เกิดความอยากหรือว่าเกิดตัณหาตัณหาคือความอยากความหลงในความโลภความอยากเมื่ออยากเราไม่ได้ก็โกรธ โก็รก้อนความเล่าร้อนปิดบางครองำหลงอีกจังเดียว่าอาสวะ <c oughs> ที่นี่วิธีที่จะทำให้แจ้งพระพุทธเจ้าก็สอนให้กาหนดรู้กาหนดรู้สิ่งทั้งหลายเนี่ยกำหนดรู้ในกายเนืองๆแล้วก็ ที่มันก็จะเกิดความทุกข์สัมผัสกับกายบ้างทุกข์เฉพาะเรื่องภายในใจบ้างไม่ได้เกี่ยวกับกายเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วเขาก็ให้กําหนดรูปทุกทุกควรกําหนดรูปนี่กำหนดรูปกายกําหนดรูปทุกกําหนดรูปทุกขเวทนาสุ ข, ขเวทนา ทุกขมามมสุขายเวทนาความอยู่เป็นกลางๆไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์อาการเหล่านี้สิ่งสำคัญที่จะมาลู้ก็เรียกว่าก็มีใจเป็นมหาเหตุเพราะฉะนั้นจึงต้องสร้างสติให้เกิดที่ใจ แล้เอาสติมาคุมใจใช่ไหมเอาสตินี่มาเป็นเครื่องคุ้มครองใจหรือรักษาใจจึงว่าสติเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเป็นธรรมที่คุ้มครองใจสัมปัชัญญะความรู้ตัวทํางานอยู่ด้วยกันเมื่อมีสติแล้ลึกรู้ก็เป็นสัมปชัชย์ยะความรู้ตัวไม่เผลอ เมื่มีสิ่งสัมผัสกายสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจในส่วนที่เป็นรูปสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายส่วนที่เป็นนามก็คือใจก็ไม่เผลอไม่หลงลูกลูกความเป็นจริงที่สัมผัสแล้วก็รู้อะสิ่งทั้งหลายในเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเนี่ยกำหนดรู้ทุกข์กำหนดรู้ทุกข์รู้เรื่องของทุกข์เข้าใจในเรื่องของทุกขเวทนามันก็เข้าใจในสุ ข, ขเวทนาเข้าใจในความสุขความสบายเข้าใจในความเฉยๆเข้าใจแล้วก็เห็นว่าไม่เป็นเรา เป็นเราไม่เป็นเขาไม่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา <c oughs> <c oughs> เมื่อความเห็นตัวนี้มันประชุมลงที่ใจด้วยสติต่อเนื่องกันสติมีกำลังเป็นสติชอบเป็นความระลึกชอบเป็นสมาธิชอบ แล้วก็เป็นปัญญาชอบเนี่ยมันจะปลดเปลื้องความทุกข์หรือมันจะถอนความทุกข์ถอนความอยากที่ว่าความอยากคือความโรคความอยากความปัจถนาเนี่ยมันจะถอนออกไปหมดละ <c oughs> เมื่อมันเข้าใจใน สภาวะที่มันเกิดขึ้นด้วยด้วยพลังของสติสมาธิและปัญญาความโลภควาว่าความโลภคือความอยากอยากไม่มีเหตุไม่มีผลมันก็จะหมดอำนาจหมดความนิ่นลนหมดพลัง ถึม้มันมีอยู่มันยังไม่สิ้นสุดมันก็จะอ่อนลงพลังมันอ่อนลงไปเหมือนกันกับพลังไฟที่เราชาร์จไว้นานแล้วมันก็จะค่อยหมดไปของมันถึงแม้จะใช่หรือไม่ใช่มันก็อ่อนพลังเพราะฉะนั้นจะต้องชาร์จอีกมันจึงจะมีพลังกล้านี่ก็เหมือนกันความโลภโกรธหลงเนี่ยมันไม่เที่ยงทั้งนั้นละ มันเกิดขึ้นมันดับไปมีขึ้นดับไปเพราะมันเป็นมันเป็น <c oughs> สภาวะที่อยู่ในกฎของความไม่เที่ยงอนิจังทุกขังอนัตตาที่นี่จะให้มันจบมันสิ้น มาให้มันมาเป็นทุกข์ภายในจิตใจเพราะใจของเราไปไปหลงไปหลงน้อมไปหลงยึดเอาเข้ามาต่างหากยึดความโลภมาเป็นเรายึดความโกรธความหลงยึดความพอใจไม่พอใจนั่นแหละตามความพอใจไม่พอใจเพราะท่านภาวนารม สติละลึกชอบให้ต่อเนื่องกันอย่างเดียวเอากำหนดละลึกรู้ในทุกหรือว่าละลึกรู้ในกายตามสภาพความเป็นจริงกำหนดรู้ทุกชาติปิทุกขาชราปิทุขงังมรณะปิทุขงัง ที่สวดกันอยู่ทุกวันทุกวันความหมายที่ท่านให้สวดท่านให้ให้กําหนดรู้ให้น้อมเข้ามาสู่ใจแม้แต่ว่าสวดกายยคขาสติก็คือสติกําหนดรู้ในกายอรยังโขเมกายโยกายของเรานี่ยแหละอุทังปาทัตตาเรื่องบนเรื่องล่าง สถานกลางมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดตกอยู่ในลักษณะความเป็นจริงคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนจึงว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอุบายในการในการภาวนาอุบายในการปฏิบัติธรรมหรือในการแห่งธรรมะ แม้แต่ว่าทุกขวนกำหนดรู้เนี่ย เ, เพ่งทุกเพราะฉะนั้นเวลาเราเกิดมีทุกความเจ็บปวดก็กำหนดดูแลลึกรู้ด้วยสติเพ่งด้วยสมาธิความรู้มั่นคงในความทุกแลวก็ใช้ ปัญญาอินิสพิจรารณาแยกแยะเมื่อเพ่งจดจ่อไม่ให้มันคาดเคลื่อนมันก็จะได้คำว่าสติและลึกรู้ไม่ขาดวักขาดตอนด้วยการกำหนดรูในทุกนั่นแหละ เหมือนกันกำหนดทุกเป็นอารมณ์กาหนดผมคนเล็บเป็นอารมณ์กำหนดความไม่เที่ยงเป็นอารมณ์ก็เหมือนกันพน้นพ้นที่จะได้รับก็คือจะรู้ว่าความระลึกรู้คือสตินี่มัน มันไม่เผลอมันเป็นสัมปชัญญะความรู้ตัวแล้วมันก็จะมีพรังแห่งความรู้คือใจนี่ตั้งมั่นแน่วแน่แล้วมันจะมีอุบายคือปัญญาสอดรู้สอดเห็นแต่ก่อนมันหลงมันหลงว่าผมงามหนังงามเนื้องามเล็บงามฟันงาม เมื่อมันน้อมออกไปทางวิปัสนาทางการเพ่งกําหนดรูปถึงความเปลี่ยนแปลงแปรปวน่ะมันก็จะเข้าใจแต่ก่อนมันว่างามเมื่อมันเข้าใจมันก็จะเห็นเป็นงามก็ไม่ใช่ไม่งามก็ไม่ใช่เป็นแต่เพียงสิ่งที่สมมุติ เป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นก็เปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวตนไม่มีอะไรเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาอันนั่นเป็นปฏิเวทธรรมเป็นปัจจตังปัจจตังเวทิตโภวินโยหิผู้ประพฤติปฏิบัติผู้มีความเพียรเพ่งจะเกิดความรู้ความเห็นเกิดญาณทัศนะ ทั้งรู้ทั้งเห็นตามความเป็นจริงเห็นโทษเห็นภัยของความรุ่มหลงนั่นแหละมันจะเห็นโทษของความหลงเห็นโทษของความโลภความโกรธเพราะมันหลงมันจึงโลภเพราะมันหลงมันจึงโกรธเพราะมันโลภมันจึงเป็นทุกข์เพราะมันโกรธมันจึงเป็นทุกข์ เพราะหลงจึงโรคเพราะโลคจึงเป็นทุกข์เพราะหลงจึงโกรธเพราะโกรธจึงเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นกิริยาเป็นอาการสิ่งทั้งหลายเรานี่รู้อยู่ที่ใจเท่านั้นมีใจเป็นที่เกิดดับก็ดับลงที่ใจเรียกว่าหมดจบ วางลงที่ใจดับลงที่ใจเดี๋ยวแต่ความรู้ว่างรู้วางของใจตามที่พระพุทธเจ้าสอนพระโมคค ร, ราชเธอจงเพ่งโรคนี้เป็นของว่างกาวเพียงประโยคเดียวพระโมคค ร, ราชท่านเข้าใจ เห็นโลกเป็นของว่างลงภายในความรูปความเห็นในใจของท่านาเรียกว่าถอนอนุสัยถอนอวิชชาโมหะจบขณะจิตเดียวถอนพวดเดียวด้วยความรูปความเห็นตามอุบายที่พพุทธเจ้าสอนเธอจงเพ่ง โรคนี่เป็นของว่างนี่ยเลพพาหิยะคือท่านมีกำลังมีพลังอยู่เลยมีพลังแห่งความรู้ความเห็นแต่ว่ามันยังไม่เข้าช่องที่เป็นช่องสุดท้ายที่จะให้ปล่อยวางหรือให้พ้นจากทุกข์ เมื่อพระพุทธองค์ทรงให้อุบายเห็นสักเพียงเห็นได้ยินสักเพียงได้ยินรู้สักเพียงรู้เนี่ยท่านก็แจมแจ้งเดีหมดความยึดมั่นถือมั่นหมดความตึกความสงสัยในความรู้ในใจนั่น ยงแค่นั่นทีนี้ผู้ที่ยังไม่รู้เข้าถึงความจริงได้ก็ฟังอันเดียวกันนั่นแหละแต่มันยังไม่เป็นแต่ยังไม่เป็นก็ฟังไปยังว่ากำหนดไปภาวานาไปเมื่อมันเต็มของมันแล้วมันก็จะเป็นให้รู้เองเห็นเองนี่ธรรมะ ธรรมะเป็นนิยานิกรธรรมเป็นนิยานิโกเป็นธรรมที่นำออกจากทุกข์ต่อเมื่อผู้ศึกษาผู้ประพฤติปฏิบัติกำหนดตามหรือปฏิบัติตามอุบายนั่นๆเรียกว่าเดินตามช่องทางเหมือน ก, นกันกับช่องทางที่จะออกประตู ช่องทางที่จะออกประตูบ้านหรือช่องทางที่จะออกประตูเรียนจำที่เป็นกงขังต้องเดินตามช่องทางนั้นก็จะไปถึงประตูก็จะสามารถออกจากเครื่องคุมขังนั้นได้เนี่ยเขาเหมือนกันตัณหาวิชามานะทิฏฐิเรียกว่าเป็นกิเลสเรียกว่าเป็นความหลงเป็นอวิชชา พราะว่าโมหะคือความหลงอวิชชาความไม่รู้ตามเป็นจริงมีอยู่ความรู้แต่มันไม่รู้ตามเป็นจริงมันรู้ผิดจากความจริงเพราะฉะนั้นมันจึงเดินออกจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มีทางเดียวคือต้องมาปฏิบัติต้องมาภาวนามาเจริญสติสมาธิปัญญา เยว่าเป็นมรคาที่จะออกจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงศีลสมาธิปัญญาเียกว่าหนทางแปดอุบายข้อปฏิบัติปฏิปทาข้อปฏิบั ต, บ ต, ขบติข้อดำเนินมีอยู่แปดอุบายแปดอุบายก็รวมเข้ามา สติเรียกว่าศีลศีลคือศีระสังวรสังวรกายสังวรวาจาแล้วก็สังวรใจมาเหตุที่ใจเมื่อสังวรที่ใจแล้วก็แล้ว ก, วกายวาจาสติรละลึกรู้กับใจต่อนเนื่องกันนั่นแหละเป็นศีลมีสติสมบูรณ์ก็เรียกวเป็นศีลสมบูรณ์ ศีลที่บริสุทธิ์ก็เพราะมียาณัทธสนะมีปัญญาเนี่ยพราะท่านจึงกลมกลืนกันคำว่าศีลสมาธิปัญญารวมเป็นเรียกว่าเป็นมรร เป็นปฏิปทาเครื่องเจริญจเจริญให้มากสติกำหนดรูยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดหรือเวลาเราปฏิบัตินั่งสมาธิเดินทำสมาธิก็อันเดียวกันแหละเดินทำสมาธินั่งรมสมาธิก็คือนั่ง กำหนดจิตตั้งสติกำหนดกับจิ ต, ต ก, กับใจคำว่าจิตกกิดอยาอาการนึกคิดใจเป็นอาการรู้เป็นธรรมชาติรู้อย่างเดียวทำอย่างอื่นไม่ได้คำว่าใจใจจิตก็ทำหน้าที่อันเดียวนึกคิดแต่ไปรู้ก็ไม่ได้มีหน้าที่นึกคิด นี่จึงว่าธรรมะแต่ละอย่างละอย่างมันที่แยกอาการออกไปเป็นสมมุติออกไปจากใจอันเดียวออกไปจากใจที่ยังไม่บริสุทธิ์นี่แหละที่เมื่อปฏิบัติทำใจนี่ให้บริสุทธิ์ให้แจม่มแจ้งด้วยปัญญาณชอบแล้วก็ไม่มีไม่มีสมมุติอันใด มีสมมุติอันใดในใจนี่ก็เรียกว่าเป็นธาตุรู้ธารู้ที่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีสมมุติบัญญัติไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลงถึงว่าหยุดเป็นใจที่หยุดเป็นปัจจุบันไม่เหมือนใจที่ยังก้าวเดินด้วยความหลง ในความดีในความชั่วในกรร ม, มวัฏกิเล ส, สวัฏวิปากวัฏมันหมุนอยู่นี่จะให้มันจบมันหยุดได้ด้วยปฏิปทาคือข้อปฏิบัติรวมเข้ามาเรียกว่าสติสมาธิสติปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญา แยกอาการในเบื้องต้นท่สติควอบคุมใจหรือว่ารู้และลึกรู้ที่ใจต่อเนื่องไม่พังเผดก็เป็นสมาธิเป็นความตั้งใจมั่นเป็นความสงบจากความนึกคิดปรุงแต่งตามสัญญาอารมณ์ต่างๆันเรียกว่าใจเป็นสมาธินอว่าจิตเป็นสมาธิก็คือตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์มันเดียว อาจจะว่าจิตเป็นสมาธิเพราะจิตเป็นผู้นึกคิดนึกอยู่พุทโธพุทโธพุทโธอันเดียวเป็นจิตมีสมาธิใจมีสมาธิใจเป็นสมาธิก็ใจรู้อยู่อันเดียวรู้อยู่เฉพาะตัวอันเดียวไม่น้อมไปกับอาการของสัญญาสังขารวิญญาณ น, นามรูปอายตนะอย่างอื่น นี่จึงว่าสติเป็นสติใจเป็นใจหรือว่าจิตเป็นจิตที่จะเป็นได้ต้องอาศัยการฝึกหัดปฏิบัติ <c oughs> การฝึกฝนอบรม <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> การประพฤติธรรม <c oughs> ปฏิบัติธรรม <c oughs> เพื่อความสิ้นไปหมดไปแห่ง ความรุ่มหลงที่เป็นตัวการใหญ่ที่ควบคุมอยู่ในใจใจของเรานี่นี่จึงต้องมาใช้อุบายภาวนาการทำทานการรักษาศีลเป็นการตัดจริงตัดกา้าน ถ้าเป็นต้นไม้เราจะโค่นต้นไม้ริดรอนควอบคุมไม่ให้มันใหญ่โตขึ้นตัดกิง่งตัดใบไว้ตัดเปลือกตัดกรพี่รวมเข้าไปสุดท้ายต้องโคน่นที่โค่นต้นที่รากแก้วของมนอันมันจึงจะตายหมด ทั้งตน้นนี่ก็เหมือนกันล่ะใจเป็นที่เกิดของธรรมะทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลและอกุศลท่านเรียกว่าธรรมทั้งนั้นนีนาธรรมะธรรมอันดำค่ำเรียกว่าหินธรรมธรรมมันเร็วเช่นความโลภโกรธหลง ความทะเยอทะยานอยากไม่มีสติประครับประคองไม่มีปัญญาไข้ควรรู้เหตุผลเท่าทันท่านเรียกว่าทมอันเลวหินธรรมมัชฌิมธรรมก็คือสติสมาธิเรียกศีลสมาธิภุกกิจให้มี ความระลึกรู้มีความตั้งมั่นในตัวปณิาธารรมได้แก่ปัญญาณชอบยิงว่าเพียนแ่งพินิตพิจนาไข้ ค, ควรค้นคว้าให้เข้าใจในกายในจิตหรือในรูปนามนี่แหละรูปนามคันห้านรู้เห็นเข้าใจตามความเป็นจริง เ <c oughs> พราะสุดท้ายมันที่แรกใจเนี่ยความหลงมันอาศัยใจมันไม่ใช่ใจหลงความหลงต่างหากมันอาศัยเกิดที่ใจที่ธาตุรู้นี่แหละมันอาศัยใจเป็นมหาเหตุเป็นฐานที่เกิดแล้วมันก็ไปหลงกาย ไหลงกายใ่ไหหลงยึดมั่นถือมั่นหลงกายตัวเองแล้วก็หลงกายภายนอกออกไปอีกนี่ยไปยึดไปถือผิดไปสุดท้ายมันละเอียเข้ามาแล้วที่มันแก้ไม่ตกเพราะมันใจหลงใจที่แก้ให้มันตกก็คือให้ใจรู้ใจนั่นแหละใจรู้ใจใจวางใจ ใจไม่ยึดในใจว่าเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเขาหละมันก็จบกันเรียกว่าเข้าใจในรูปนามกายใจเป็นเพียงสภาวะธรรมในขันธ์ห้าในสมมติเนี่เป็นเพียงสภาวะธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ท่านจึงว่าสเบสังคารานิจา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัมเบสร้างฆารารุขาบรรดาสังขารทั้งหลายที่เป็นนามเป็นรูปมีวิญญาณคองไม่มีวิญญาณคลองก็เป็นทุกข์อยู่ในตัวทั้งนั้นถึงรวมสุดท้ายสเพ ธ, ธมานตาติธรรมคือสภาวะทั้งที่เป็นหินธรรมมัชฌิมธรรมปานิฏธรรม ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนที่มันจะไม่ยึดมั่นถือมั่นได้มันก็ต้องเกิดความเห็นความรู้เรียกว่าแสงสว่างแห่งปัญญาเข้าใจว่ามันไม่ใช่ตัวตนอันเป็นเพียงสมมตินั่นละ่ะมันยังจะทิ้งความยึดความ ติดความถือมันจึงมันจึงจะเหลือแต่ธรรมชาติรู้ไม่มีตึกไม่มีตึกไม่มีปรุงไปในความโลภความหลงความโกรธในความอยากความเกลียดอยากก็ไม่มีเกลียดชังก็ไม่มี ท่านจึงว่าเหลืออยู่เป็นกลางๆที่ท่านว่าใจเป็นกลางเอเตเตพิขเวการดำเนินฝึ ก, กจิตฝึกใจไม่ไปติดอยู่กับปฏิบัติให้รู้ความรักความชังไม่ไปติดอยู่กับความรัก ให้ปติดอยู่กับความชังให้ปติดอยู่กับความเฉยเฉยนี่จริงว่าความรักความชังความเฉยๆยมันเป็นสมมติอยู่เข้าใจความรักความชังความเฉยเฉยมันก็ไม่มีอะไรมีแต่ธรรมชาติรูปตื่นเบิกบานหรือว่ารู้แจ้งสว่าง เนี่ยมันก็ไม่มีไม่มีทุกข์ไม่มีสุขนี่ปรมาถธรรมการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมตามมัคคะปฏิปทามักมีองค์แดรวมลงมาคือกายกับใจปฏิบัติต่อกายกับใจถเอียดเข้าไปก็ปฏิบัติต่อใจที่เป็นธรรมชาติรู้ จนไม่มีอะไรเข้าไปควบคุมไปเกาะไปติดไปเกาะเกี่ยวกับธรรมชาติรู้เหมือนกันกับต้นไม้ไม่มีกาวฝากเนี้ยแต่ต้นของตัวเองล้วนๆไม่มีเชื้อราไม่มีมแมลงอะไรเข้าไปกัดไปก่อนให้เกิดปัญหาให้เกิดโทษขึ้นมา จิตใจธรรมชาติรูปเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งใดไม่มีทางใดที่จะทำให้เป็นไปตามความเป็นจริงแห่งธรรมว่านิยานิโก้ทำเป็นเครื่องนำออกจากพบจากชาติจากทุก์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยการประพฤต ร, รมปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นตั้งสติให้มากกำหนดให้มันต่อเนื่องกันมากๆบริกรรมมากๆแห่งเข้าไปต่อจิตต่อใจต่อธาตุรู้นี่มากๆแล้วก็เมื่อประพฤติธรรมสมควรจรรม การที่จะเข้าถึงทรรู้ทมเห็นทมวางทมทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นปัจจตังเฉพาะตัวนี่ในวันนี้ได้อธิบายธรรมะเกี่ยวกับสมมุติ และวิมุตติสมมุติคือยังหลงอยู่ยังไม่เข้าใจความจริงยังไม่รู้ไม่เห็นวิมุตติคือรู้ความจริงแล้วทิ้งสมมุติวางสมมุติจึงเรียกว่าเป็นวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะความรู้และความเห็นบริสุทธ ทำให้ความยึดมั่นถือมั่นหมดอำนาจไปเแต่ความรู้จริงเห็นจริงในการประพฤติธธ ร, รมปฏิบัติธรรมก็ดำเนินตามคำสอนหรือว่าปฏิปทาอุบายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานไว้ เบื้องต้นได้กล่าวถึงว่าเพราะองค์ทรงประธานโอวาสสามเป็นการให้บวชแก่พระมหากรสปะเธอจงเป็นผู้ไม่มีทิฏฐิมณนะมีความเกงใจในภิกษุทั้งแก่ทั้งปานกลางทั้งยังเด็กเล็ก เออจงเงื้อหูลงฟังให้ในการศึกษาคือการฟังแล้วก็ไข้ควรเพราะว่าปัญญาจะเกิดเกิดได้จากการได้ยินได้ฟั ง, งจ่านเรว่าสุตมยปัญญาแล้วก็ไข้ควรทบทวนเหตุผลเรียกว่ากินตรรมะปัญญาภาวานารรมะปัญญาเมื่อกําหนดอยู่บ่อย เพียนงอยู่บ่อยๆก็จะรู้ละเอียดเข้าไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆจนสุดท้ายความรู้ที่ว่าละเอียดละเอียดประชมลงเป็นแสงสว่างแห่งความรู้ทำลายความเมืดคือรู้ไม่จริง ให้หมดอำนาจไป <c oughs> แล้วก็เธอจงเป็นผู้พิจารณาในกายเนืองกกำหนดรูในกายเนืองทั้งสามอย่างนี้ล้วนเป็นอุบายเรียกว่าเป็นปริยัติเป็นปฏิยติธรรมเป็นคำสอนเป็นอุบายให้ปฏิบัติ ให้กระทำดำเนินตาม เ, เมื่อปฏิบัติตามด้วยความเชื่อมั่นคือด้วยสติสมาธิและปัญญาชอบปฏิเวทธรรมคือผลจากการประพฤติปฏิบัติธรรมที่จะนำความ ร่วมหลงออกจากใจแล้วก็สิน้นสงสัยในสุขในทุกขไม่มีทั้งสุขทั้งทุกภายในจิตใจ น, นั่นเป็นปัจจตังเวทิตโภวินยูหิอุปพฤติปฏิบัติรู้เองเห็นเองสัมผัสเองได้อธิบายธรรมะปฏิบัติ พอเป็นอุบายให้นำไปประพฤติปฏิบัติหรือไปเจริญภาวนาก็เห็นว่าสมควรแก่กาละเวลาด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์และบุญญาบา ร, รมีที่ได้กระทรรมบําเพ็ญมา ท้งในอดีตและในปัจจุบันขอพอจงรวมเป็นพระกำลังหนุนนำให้ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ไข ใ, ในการประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมประจงได้รู้ธรรมเห็นธรรมและได้เข้าใจในธรรมะและในที่สุดก็ให้พ้นจากทุกเกิดแก่เก็บตาย ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าหรือแม้ยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์กำลังยังไม่แก่กล้าปราถนาสิ่งใดในสมมุติที่เป็นเครื่องอาศัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จตามความมุ่งมาดนปารธนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเถิน